มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนตกะปัญหาจะตุทวักพุทธสัพพัญญูสยะปนามะปัญหาที่สถามว่าพระสัพพัญญูเมื่อขับไล่ภิกษุสงฆ์ทั้งอัครสาวกเสร็แล้ว เหตุไรศากยร่าตและเท้ามหาพรหมจึงต้องอุปมาถวายสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรมีสุนทรมราช บ, บุตราถามว่าพันเตนาคเสนฆ่าแต่พระน้ า, าเกษรผู้ประกอบด้วยปรีชาตุมเหภานัทธะพระผู้เป็นเจ้านี้สรรเสริญว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นองค์สัพพัญยูแล้วพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้า ขับเสียซึ่งภิกษุสงฆ์มีองค์พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานการครั้งนั้นสักยราชและเท้าสหัมบดีพรมปรารถนาจะระงับดับเสียซึ่งอธิกรณ์จึงเข้าไปสู่สำนักสมเด็จพระมุนีวระเจ้าแล้วจึงกล่าวอุปมาสองประการคืออุปมาดังพืชอันอน้อยประการหนึ่งอุปมาดังลูกโคอ่อนประการหนึ่ง อย่างสมเด็จพระพุทธองค์ผู้เป็นที่พึ่งให้ระ ง, งับดับโทษนั้นด้วยอุปมาและเมื่อสากยราชและเท้าสหัมบดีพรมถวายอุปมานี้จะแก้ว่าพระมหากรุณาไม่รู้ถ้าฉะนั้นสมเด็จพระมหากรุณาก็ไม่ได้มีกรุณาถ้ามีกรุณาแล้วจะขับเสียต้องการอะไรนั้นอายังปันโโหอันว่าปัญหานี้ อุพโตโกติโกเป็นอุพโตโกตินิมนต์ผู้เป็นเจ้าโปรดพิสัชนาให้แจ้งก่อนพระน่าเกษรถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารตถาคโตสมเด็จพระตถาคตทศพลยานเจ้านี้เป็นองค์สมเด็จพระสัพพันญูสารพัดจะรู้ในธรรมเป็นธรรมสามีคือเจ้าแห่งธรรม ตกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นก็เอาธรรมของสมเด็จพระสัพพันยูทรงสั่งสอนย้อนมาอุปมาให้สมเด็จพระบรมโล ก, กนาณาประสาทเริ่มใสยะถาวะมีครุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียปานดุดสตรีเอาทรัพย์เป็นของสามีมาตั้งเรียงเคียงไว้ให้สามีของอัตมาเห็นส่วน ครั้นสามีเห็นทรัพย์ของอัตมาก็ชื่นชมโส ม, มนัสสาการยินดียะถามีครุวนาฉันใดก็ดีสากระยาราชและเท้าสหัมบดีพรมนั้นก็เอาทำอันเป็นของสมเด็จพระชินเนทรนบพิชิพิชิตมานเจ้าสั่งสอนนั้นมากล่าวให้สมเด็จพระองค์เจ้าชื่นชมยินดีส่วนสมเด็จพระพิชิตมานโมลีเจ้าก็อนุโมทนาว่า สาธุสาธุท่านว่านี้ควรแล้วความนี้เปรียบเหมือนสตรีเอาทรัพย์เป็นส่วนสามีมาให้สามีชื่นชมนั้นประการหนึ่งจะอุปมาใหม่เล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐในอิสริยสริงคารเปรียบปานดุดช่างกระบกเอาสุวรรณนาลังการ เครื่องประดับเหนืออุตมังคสิีโรธแห่งบรมกษัตริย์ให้ปราโมทสมมนะยินดีอันวสุวนาลังการนี้เป็นของของบรมกษัตริย์บรมกษัตริย์ก็ทรงสมานะยินดีซึ่งเครื่องประดับอันเป็นของของพระองค์ยถามีคารุวนาฉันดายสักยะราชและสหบดีพรมก็นำเอาธรรมที่พระองค์สอนไว้ มาอุปมาอุปไหยให้สมเด็จพระองค์เจ้าเลื่อมใสด้วยธรรมของพระองค์เองมีอุปมหมฉันนั้นเหตุที่จะปลดเปลื้องทุกข์ระงับดับกิเลสนั้นสมเด็จพระพควันตะบพิตรตรัสเทศนาแกสากยราชและเท้าสหัม บ, บดีมหาพรหมไว้ทั้งนั้นประการหนึ่งเล่าบาพิตรพระราชสมภารเจ้าจงทรงฟังอุปมาอุปไหยได้แก่ สิทธิ์อันปรนิบัติซึ่งอุปชาเอาจังหันของอุปชามาให้อุปชายังอุปชาให้ชื่นชมยินดียะถามีครุวนาฉันใดสมเด็จพระบรมไตรยโลกน้าเจ้าก็ชื่นชมเลื่อมใสซึ่งธรรมของพระองค์อันเทศนาไว้เหมือนดังก่อนนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชา ได้สวนาการทรงฟังก็ทรงพระโสมนัสสมสรมีพระราชองค์การตรัสว่าสาธุสะข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าโยมจะรับเอาถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าไว้เป็นข้อวัดตัดปฏิบัติแก่กุลบุตรอันจะเกิดมาเป็นปัจฉิมาชนะตาชนในการบัดนี้พุทธสัพพัญยูสยะปนามะปัญหาเป็นคำรบสี่จบเท่านี้